ก่อนที่จะให้ศีลในหลวงพ่อจะกล่าวเลือกพูดคุณของศีลให้พวกเราได้ฟังสักก่อนทำไมหลวงพ่อจึงแนะนำให้พวกเราสมาทานศีลในวันนี้อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในหลักในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเป็นวันที่ตรสรุ่ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าเกิดมาได้ง่ายๆแต่ว่าการเกิดของคนก็ยังเป็นยังเป็นรองอยู่งั้นก็พระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกอันนั้นก็ยังเป็นเบื้องเบื้องต้นพระพุทธเจ้าปรินิพานอันนั้นก็ยังเป็นเบื้องปลายของชีวิตแต่พระพุทธเจ้าตัศรู้ธรรมเลยไม่ใช่ของได้ง่ายไม่ใช่ของได้ทุกคนพระพุทธองค์ได้ตัดรู้ธรรมเป็นผู้ไปพบแสงสว่าง หรือว่าไปพบหลักที่จะนํามวลมนุษย์ชาติให้พ้นจากวัตถุสงสารไม่มาเวียนว่าวตายเกิดแน่จุดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นจุดที่หาได้ยากที่สุดในโลกเหมือนกันเถะเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้จุดประกายนวกเป็นจุดครบเพลิงใหญ่ที่เป็นผู้นําทางสัพพสัต์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาและก็พร้อมกันวันนี้พวกเราได้มาถึงวันนี้คือวันวิสาขาบูชาหลวงพ่อจึงให้แนะนำว่าพวกเราเป็นพุทธมามะกะและพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างไม่ใช่ว่า เรานับถือแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรถือถอเผยๆเข้าไปถือว่าประธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าเป็นของคือของราสมัยเป็นของคนนนเป็นของคนนี้เป็นของพระสงค์ถือว่าไม่ใช่ของพวกเราแต่ตาม่ริงเป็นหน้าที่ของพวกเราอุบาสกก็คือโยมผู้ชายอุบาสิกาก็คือโยมผู้หญิงผู้หญิ ง, ผ, ญงผู้ชายเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่าน บางที่ไปวัดวาศาสนาถือว่าศีลอย่างเนี้ยเป็นของคือของร้าสมัยศีลธรรมตามไม่จริงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านจะต้องมีศีลธรรมประจำกายว่ายใจยใจของตนเองอย่างศีลอย่างที่หลวงพ่อได้นำในวันนี้ที่พวงคลงพ่อจะเป็นผู้นำในการรักษาศีลสำหรับญาติโยมเป็นผู้นำกล่าวหรือว่า เป็นผู้นําให้พวกท่านทั้งหลายสมาทานศินหรือว่าหลวงพ่อเป็นพยานในการรักษาศินของพวกท่านนะคือศินข้ออย่ที่หลวงพ่อจะนํากล่าวนี้อันดับแรกหลวงพ่อจะว่านโมซะก่อนนะกล่าวนโมสามจบนโมความหมายก็คือแปลออกมาเป็นภาษาไทยก็ว่านโมตัสสะปะขาโตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ ถ้าไปเจ้าขอนอบน้อมแดงพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือพระองค์นั้นจะคือพระพุทธเจ้าที่ต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือก่อนที่เราจะรับศีนั้นเราจะต้องนอบน้อมพระพุทธเจ้าเสียก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุม แล้วนําพระธรรมคําสั่งสอนที่ท่านได้กลั่นตองโดยพระไถยอันบริสุทธิ์ของพระองค์นํามาเผยแพร่ได้นํามาเผยแผ่ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นก่อนที่เราจะรับสินที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้กล่าวได้เผยแผ่มาให้พวกเรานั้นพวกเราควรจะนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนขืดพระต้นต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาจึงว่ากล่าวนะโมสามจบ จากนั้นก็พุทธังทำมังสังขังสรานางังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งดูตียัมปีพุทธังทำมังสังขังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาตียมปีพุทธังทำมังสังขังยศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์งถึงสามครั้งนอกน้อมถึงสามครั้ง กล่าวยืนยันทั้งสาครั้งว่าข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นศรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็หลวงพ่อจะเป็นผู้นำกล่าวฉินเป็นข้อพ่ อ, อคือปาณาติปาตาเว ร, รมะเนสิกาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะมดเว้นในการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะสัตว์ทุกตัวนับแต่เราไป มนุษย์ก็เป็นสัตว์สัตว์ที่ไร้ารก็เป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์ถ้าเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเมื่อเราไปฆ่าเขาเขามีความรู้สึกเราไม่รู้ว่าความรู้สึกของเขานั้นคืออะไรแต่เมื่อเขามาฆ่าเราเรารู้ได้ว่าความรู้สึกของเรานั้นเป็นยังไงฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศ์สาคนาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้เรามีความรู้สึก อยู่ในใจอย่างมากถ้าหาว่าเราไปฆ่าเขาล่ะเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะชีวิตของเขาเขาก็รักสังวนหวงแห่งญาติพี่น้องของเขาวงสาคนาญาติของเขาเราก็เช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันพวกเรานึกดูกันแล้วกันดีไหม ทางวางไม่ดีแต่ทางวาพวกเราวางไม่ดีอยากจะให้คนอื่นมาฆ่าเราใช่ไหมเราปกคงจะไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อเราไม่ต้องการคนอื่นมาฆ่าเราเราก็ไม่ควรจะไปฆ่าคนอื่นเขาเขาขรักสงวนหวงเหนชีวิตของเขาเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมท่านยังบัญญัติสินข้อที่หนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกเรานึกดูกขาแล้วกันศินเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน ที่จะต้องรักษาคือสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยถึงเราจะรักษาไม่ได้ข้าพเจ้ารักษาไม่ได้จิงอยู่สินของพวกพุทธเจ้ามีคุณค่าแต่ข้าพเจ้ารักษาไม่ได้เหมือนกับเพชรนินกินดาจริงอยู่ว่ามีคุณค่าแต่ข้าพเจ้ายังหาไม่ได้ยังสอแสวงหาเพชรนินกินดาไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าสินมีคุณค่าแต่ข้าพเจ้า เรารักษาศีลอยังไม่ได้เพราะข้าพเจ้ายังมีสิ่งแวดล้อมยังมีกิเลสทําให้ข้าพเจ้ายังรักษาจุดนั้นไม่ได้แต่ศีลของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทบทวนได้ไข่ครวญได้ไต่ตรองดูแล้วว่าศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าข้าพเจ้าขอเทิดทูลบูชาอันนี้แปลว่าเรารู้ว่าคุณค่าของศีลมีจริงแต่เรายังรักษาไม่ได้อันนั้นก็ยังว่าจัดว่าเป็นปราดจุนะ บุคคลเช่นั้นใจว่าเป็นปราเป็นบัณฑิตนะในใจแต่ว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้ามีธุระเบาบางลงข้าพเจ้าพร้อมที่จะรักษาสินได้ข้าพเจ้าจะรักษาศิลอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะสิลของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าพิจารณาดูแล้วไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติศินมีคุณค่าเพราะว่าท่านไม่ให้เอียงทางนั้นเอียงทางนี้เข้าทางเข้าทางนี้ท่านเป็นธรรมอย่าฆ่ากัน อันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานการขโมยของคนอื่นเขาเคารพสงวนหวงแหนของชายของเขาของของเขาเงินคําทรัพย์สมบัติของเขารถของเขารองเท้าของเขาลูกเมียของเขาถ้าเราไปขโมยของเขาไม่เป็นผลดีเขารักเราก็รักเช่นเดียวกันขอแดนพระพุทธเจ้าบัญญัติสินข้อที่สองอธินนาทานาเวรมณิษ ให้งดเว้นอย่าขโมยของกันนะอย่าขโมยซึ่งกันและกันนะเรารู้เราพิจารณาดูแล้วมีคุณค่าศินของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์แต่ถ้าว่าทุกคนมีแต่ขโมย เ, เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกพวกเราคิดว่าโลกใบนี้จะสงบรุ่งเย็นเป็นสุขได้ไหมไม่ได้อันนี้คือศินข้อที่สองข้อที่สาการเมึงมิจฉาจาราเวรมณีการประพฤติผิดในกา ลูกเต้าสามีพัญญาของใครใครก็รักสมวนห่วงแขนทางนั้นถ้าเราไปละหลับละล่วงเขาล่วงเกินเขาแอบไม่เคารพผิดของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเขาก็มีความรู้สึกอย่างมากเขามาร่วงร่ำเราเรามีความรู้สึกยังไง เ, เราจะดีใจไหมไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติสิงข้อที่สามให้เคารพผิดเึ่งกันและกันแอให้เคารพผิดเขาเ เมื่อเคารพสิทธิเขาเ ค, าคารพสิทธเราโลกก็จะร่มเย็นเป็นชุกขึ้นมาแต่เขาว่าไม่คารพสิทธซึ่งกันและกันแล้วนันโลกจะเดือดร้อนพุนหวายมุสาวาทาเวรามานีอย่าไปโกหกเขาการโกหกเขาต้มตุ๋นเขาหลอกลวงเขาวมีมากมายบางทีทําให้เขาเสียทรัพย์สมบัติเพราะหลอกลวงเขาต้มตุนเขาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติสิ่ข้อที่สี่ เขามาต้มตุนเราเราก็เสียใจเมื่อเราไปต้มตุนเขาล่ะแง่เขาก็เสียใจชินเด้วยก็ไปหลอกลวงเขาโกงเขานะสินค้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชับประมา ก, การดื่มสุราและเมลยัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ก, การดื่มสุราคือเหล้าเมลัยก็คือเบียฮนะคือของเหมือนเมาจากนั้นท่านก็จัดไปคัญชายาฟิเดอโรอินยาบ้ายา마กาวจัดเป็นประเภทที่ ทำให้สติขาดทั้งนั้นทำให้สติไม่อยู่กับตัวทำให้สมองของเราคิดไปในทางผิดปกติสรุปแล้วก็คือใจของเราผิดปกติสมองผิดปกติ ก, ตการสังงานของสมองผิดปกติท่านดื่มของมึนเมาขงเหล่านั้นเข้าไปในเมื่อมันผิดปกติแล้วสามารถที่จะทำความชั่วใ้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าผีฆ่าน้องก็ได้ฆ่าลูกฆ่าเมีย ข้าได้ขาได้ทั้งหมดเพราะมันขาดสติอธินาฐานขาโมยของเขาก็ได้การเมสุมิชอาจารย์แลรวรับแล้วลวงกับลูกเมียคนอื่นก็ได้แต่โมษาโกคนอื่นก็ได้โมษานี่นเร็วนะแต่ว่าคนขาดสตินสรุปแล้วคือคือสินห้าข้อที่ห้านะ่ข้อห้าเนะี่เป็นอันตรายนะหลงพ่อว่านะแต่พวกเราโดยมากจะมองข้ามกันมองข้ามสินข้อที่ห้า แค่ข้อที่ห้าเนี่ยเป็นข้อคล้ายๆกับมันฝังในน่ยมันฝังนึกนะแหมมันฝังช่องตัวอยู่กันเถอมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรกัเมื่อนั้นนะสี่ข้อบันไหยเลยว่ากันเถอะเพราะนั้นให้พวกเราให้สังเกตดู ก, ก็แล้วกันที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นนะสรุปแล้วก็คือสีลของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะรับในวันนี้แหละมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างมากต่อพวกเราทัานทั้งหลายไม่ใช่ไม่ใช่กับหลวงพ่อนะ กับพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสินแล้วชุมชนของเราประเทศชาติของเราโลกของเราก็จะร่วมเย็นเป็นสุกได้เพราะทุกคนเป็นผู้เคารพในศินนะถ้าว่าพวกเราขาดสินมากๆแต่ต่างคนก็ต่างไม่มีสินพระเท่านั้นละควรจะรักษาสินข้าไม่รักษาสินเนี่ยทนี่ก็ความร่มเย็นเป็นสุขก็มีแต่เฉพาะพระเนียเพอเพอวกผู้ไม่มีสินก็มาเบียดเบียดพระอีกต่างหากแก โลกทั้งโลกก็เดือดร้อนวุญวายไปตามการทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราสินก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆกท่านรักษาสินก็คือรักษาจายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่แหละอ น, นี้แหละคือสินของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราทุกๆุท่านที่ได้ยินหงพ่อพูดในวันนี้ไต่ตรองเหตุและผลนั่งคิดนอนคิดนะต่อไปคิดดูว่าสิลของพระพุทธเจ้า มีคุณค่าเป็นหน้าที่ของใครจะเป็นผู้รักษาเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาโยมผู้หญิงโยมผู้ชายพวกเราท่นทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีสินค้าถึงจะมีสินค้าไม่ได้ครบบริบูรณ์ได้ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ถึงจะไม่ได้สักข้อก็อให้ยกมือไวใ้ในยกมือจบเอาไว้ว่าศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าไม่ใช่วระของไม่มีคุณค่าคนขาดศีลธรรมมากเมื่ อ, อไหร่ เมื่อนั้นโลกทั้งโลกเดือดร้อนวุ่นวายแน่นอนไม่ต้องสงสัยให้เราคิดอย่างนั้นแต่โลกทั้งโลกมีศีละธรรมประจําใจแล้วมีเหตุผคือความละอายแล้วอตปะคือความกลัวต่อบาปแล้วโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ตอนนี้ไปเดี๋ยวงพวจะเป็นผู้นําให้ศีลเมื่อพวกเรารู้คุณค่าของศีลแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะโต a r a h สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r โ h สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต a r a h สัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเจ พวกเราสร้างวัดมาเป็นเวลา20กว่าปีวัดป่านาคาน้อยแห่งนี้เมื่อสร้างขึ้นมาก็มีผู้ลงทุนเสียสละทรัพย์สมบัติที่ดงที่ดินเงินคําทรัพย์สมบัติกําลังกายกําลังใจที่มาสร้างวัดวป่าวัดป่านาคาน้อยแห่งนี้ท่านเหล่านั้นก็บางท่านก็ได้ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราหลายคนเป็นเวลา20ปีเนะี่ยคงจะหลายคนที่ได้เสียสละทุนทรัพย์มา สางวัดพวกเราก็ได้รับความสะดวกสบายด้วย น, น้ําใจของท่านเหล่านั้นในเมื่อท่านเหล่านั้นล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราพวกเราที่อยู่เบื้องหลังพวกเราก็ไม่รู้ว่าท่านเหล่านั้นจะล้มหายตายจากไปแล้วจะไปตกทุกข์ได้ยากอย่างไรบางทีอาจจะคอยพวกเราทําบุญอุทิศวลกุศลให้อยู่หรือบางทีอาจจะไปตกทุกข์และก็พ้นจากทุกข์มาและก็มาเป็นเปรต รอคอยพวกเราอยู่อย่างนี้นเพราะฉะนั้นพวกเราปีหนึ่งน่าจะมีการทําบุญอุทิศลกุศลในวัดของพวกเราสักครั้งหนึ่งในปีหนึ่งทําบุญกระถิ่นเกี่เรื่องกรถิ่นะนะเรื่องอย่างอื่นก็คือเรื่องอย่างอื่นแต่ น, นี่เป็นการทําบุญเฉพาะเจาะจงต่อเปลยตาญาติหรือว่าญาติพี่น้องญาติโยมของพวกเราที่มาทําบุญร่วมสามวัดนี้ขึ้นมามิถุนาหลวงพ่อกระโคงจะ นิมนครูบาอาจารย์ที่รู้จัก แ, แถบนี้เข้ามาจากนั้นพวกเราก็าทำบุญอย่างวันนี้มาก็ตักบาดเสร็จแล้วก็คงจัดถวายทานอุทิศสน่สนกุศลจากนั้นพวกเราก็ถวายจิตตุกติใจพระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์กับอนุโมทนาใหาพ้พรจากนั้นพวกเราอุทิศสน่สนกุศลถึงเปตปตะญาิพ่อแม่ปู่ญาติยายวงศานาญาจาันมิตรหาย ตลอดผู้ที่มีประคุณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นจากนั้นก็จะเสร็จสิธอีกนะขอแจ้งข่าวให้ญาติโยมระตูรับทราบโดยทั่วถึงกันทางนี้ทางนั้นไม่มีการประกาศโฆษณาและไม่มีหนังสือส่งแจ้งไปในที่ต่างๆไม่มีใบปลิวงั้นมีแต่หลวงพ่อพูดอย่างนี้นถ้าท่านผูดด้ใดสะดวกสบายก็มาแต่ว่าไม่สะดวกสบายไม่มาก็ไม่เป็นไรนะ ส่งกิจมาก็แล้วกันแต่หลวงพ่อก็จะทําไปตามที่มันเกิดมันมีมันเป็นมันไปหลวงพ่อที่ว่าน่าจะมีอุทิส่วนกุศลในวัดของเราขอบุญที่ล้มหายตายจากไปที่มาสร้างบุญสร้างกุศลที่มาสร้างวัดให้พวกเราเองพกองักพาอาศัยนี่หลายคนที่หลวงพ่อดูดูดูรู้อยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาและเพนั้นพวกเราที่เป็นญาติโยมทุกท่านก็ ควรจะทําบูรุทิดพร้อมกันกุทิศถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราด้วยนะอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวนะแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นตอนบ่ายประมาณครึตอนบ่ายในที่ท่านนายอำเภอนั่งอยู่ที่เนี่ยท่านก็คงจะขึ้นไปเป็นประธานเวียนเทียนพระทักษิณรอบเจดีภูกก้อนคือเจดีภูกก้อนเป็นเกดีของอําเภอนายุงน้ำโสม บันผือแถบนี่แหละก็อว่าเป็นของประเทศไทยนะว่างั้นแต่ของโลกนี่แหละกัพระเทศบรรจุพระบรมสารีริกธาตุปี2440ถ้าตรงพอจำไม่ผิดนะจากนั้นก็พระเจดีย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราชาวอำเภอนายูก็ให้ความสำคัญในพระเจดีย์แห่งนี้ทางพวกเราไม่ให้ความสาคัญใครจะมาให้ความสาคัญ เระนั้นพวกเราสําคัญหรือไม่สําคัญพวกเราจะให้ความสําคัญหรือไม่ให้ความสําคัญแต่พระเจดีพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็สําคัญอยู่อย่างเกา่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะได้บุญยัค่อยขึ้นไปกราบไปไหว้ไปเยี่ยนพระทัดถิ่นแต่ทางว่าพวกเราไม่ทําพวกเราก็ไม่ได้ถ้าพวกเราทำํำพวกเราก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะทํา ก็ถึงวันนี้แล้ววันวิสาขาบูชาวันอย่างนี้ครับปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวอันนี้ก็ประกาศให้ายยาศรัทธาญาติโยมทราบนะนวัดของเรากคงจะขึ้นไปเลี้ยงน้ําลูกหลานที่วัดป่าภูคอนตอนบ่ายอันนี้ก็ขอแจ้งข่าวแต่ตกตอนเย็นถ้าว่าพวกเราที่วัดของหลวงพอ่อถ้าว่ามีายยาศรัทธาญาติโยมมาพักค้างหรือมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็คงจะทํา เปลี่ยนพ ร, รกศิลรอบสาลายอีกครั้งหนึ่งพระบรมสาลีลิกธาตุที่พุทธปฏิมากอนก็คือพระพุทธโลกเป็นตัวตัวแทนของพระพุทธองค์แต่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสะพอม ก, กันกับบรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุบนพระเสียงของพระองค์เหมือนกันพุทธปฏิม า, ม า, า, ท, ธธมาที่ได้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นการ ก, ากล่าวปราบไหว้สักการะบูชาเพราะดังใครก็ตามนะเตรียมจิตอธิษฐาน ระลอกอะไรก็ตามแค่อย่างวันนี้เป็นวันวินวสาขบูชานี่ยโอ้ข้าไปเจ้านี่ตัดปุรีตัดจากเหลือเกินข้าไปเจ้าตัดเล่ายากเหลือเกิ น, นตั้งแต่บัดนี้แหะเป็นต้นไปข้าไปเจ้ามากับพระพุทธปฏิมากรพระพุทธอุดมมงคลพระพุทธรูปในวันของร้อนเป็นพระพุทธอุดมมงคลนะพหลวงตาท่านหงตามหาบัวตั้งชื่อว่าวัดอุดมมงคลวานารามวัดอุดมมงคลวานารามไป มีตั้งชื่อที่หลงพ่อขึ้นปายนะอันนี้เดียพระพุทธรูกก็เป็นเป็นพระพุทธรูปพระพุทธอุดมมงคลเพราะฉนั้นพวกเราเจะตัดสินใจโดยสักการะอธิฐานสิ่งใดก็ตามนะพุทธกล่าวพระพุทธปธิมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษาฐานตั้งจิตอธิษาฐานเนีแน่นะอย่าไปโกหกตัวเองนะถ้าโกหกตัวเองลงไมาได้นะเพะ้อเพาเอาจเกิดภัยวิบัติก็ได้ทําให้แน่นะจริงนะดังนั้นพวกเรา อย่งดเล่าพอดีงดบุรีก็ดีงดสบายยมุกก็ดีที่เรางดจะจากนะตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่จากนั้นเมื่อเรางดได้แล้วนั่นแหละมาขอพรจากปพปกุฎิเจ้ามาขอพรจากพระพุฎิตรปฏิมาอขอให้สาเร็จสมความมุ่ง ม, มั่นปรารถนาจากการทํามาค้าขายการทํามาหาเลี้ยงชีพหลวงพ่อว่าคงเด็กเจริญนะ แน่คงจะเจริญรุ่งเรืองไปได้เพราะฉนั้นพวกเราทุกทุกทา่านนะในวันนี้จะเป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวให้สิลที่พวกเรารับไปเมื่อกี้เนี่ยก็ให้ตลอดอีสี่ชั่วโมงนะรักษาให้ตลอดทอดฟังนะทีเพราะว่าเป็นสินสําคัญนะวันนี้เป็นสินที่มีสัจส่ไม่ใช่สินทั่ ว, วไปเนี่ยรับสินบางครั้งเราก็ไม่รู้จักคุณค่าของศินแต่วันนี้หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังแล้วว่าคุณค่าของศินนั่นคืออะไร พวกเราเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านจะต้องรักษาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากครตอนนี้ไปขณะสงฆ์จัดอนุโมทนาให้พรตอนเย็นนั่นแหละคืนจะมีการไหวพระสดมน์อีกครั้งหนึ่งรับปฏิบัติธรรมต่อนนี้ไปตั้งใจที่ชวนกุศลหน้าพวกเราได้มาทําบุญทํากุศลวันนี้ อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปูย่ย่าตายายบูมสาธานายาจาัดวิสัยเจ้ากรรมนเวนนะถ้าว่าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนแต่หลวงพ่อมา ย, ย้ำจุดที่ว่าเจ้ากรรมนายเวนเราทำให้อุทิศไทยทำไมเจ้ากรรมนายเว น, นก็ฟังฟังดูแล้วก็เจ้ากรรมนายเวนมันเป็นเป็นคู่อริเป็นคู่ศัตรูเราอยู่แล้ว เอาทิศให้ ท, ทาไมเราจะเอาเงินเอาคำเอาสินของดีๆให้ไปทําไมโดยมากพวกเราจะคิดในใจถ้าพวกเราไม่รู้นะแต่ทําไมพระูุทดเจ้าจึงคงบาอาจารย์ว่าให้อุทิศส่วนกุศลถึงแ่พ่อแม่ปู่ย่า ต, ตายายวงสาคะนาญาติญาติมิสหายเจ้ากรรมในเวรแม่เจ้ากรรมในเวรก็คืออะไรบางทีเราไปทําเนะ ข, า ไ, ขาไว้นมไปฆ่าไปตีเขาไว้ เขาก็เจีบใจแต่จากนั้นมาเขาก็มาเช็คบินเราคืนนะแต่มาเช็คบินเราคืน เ, เราก็โมโหให้แค่เขาเท่าเพราะเราไปทําเขาพระนิสุกก็เลยทำกันไปทํากันมาทํากันมาทํากันไปไม่มีที่สิ้นสุดนะพราะฉะนั้นพระพุทธายจะว่าเออข้าไปเจ้าเด็มาพบหลักพระพุทธศาสนาแล้วมาพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าแล้วมาพบบัณฑิตนักปราชญ์แล้วบัณฑิตนักปราชญ์คืออะไร คือศีลธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ลนะบัณฑิตนัก ป, าปราชัยปิฎกสิลห้าศีลแปดศีลุโบสถศีลสองร้อยยี่สิบเจดศีลธรรมเลยคือบัณฑิตนักปราชัยพวกเราได้มาพบบัณฑิตนักปราชัยคือพระท ร, รมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทองค์บอกว่าอย่าเบียดเบียนกั น, นการเบียดเบียนกันไม่เป็นผลดีเพราะนั้นข้าพเจ้าขอเลิกลาหยุดทั้งหมดข้าพเจ้าจะไม่จองคำจองเวงกับดวงวิญญาณใจใครผู้หนึ่งทั้งหมด ข้าพเจ้าอุทิศสวนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้อย่าได้จองเวรชึ่งกันและกันขอท่านจงเป็นสุขขอข้าพเจ้าจงเป็นสุขให้นึกอย่างนั้นนะวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากต่อเ น, นี้ไปคณะสงฆ์จากอนุโมทนาให้พร